لمكنون فأقبل ب ع ض و م على بعضية سادون ف ق ب ل بعضون على ب ع ض ي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 รับบีอัลสลุกขวัยร์มะในที่นี้ในวันนี้และขวัยร์มะ ذ ลังจากนั้นรับหล ل ك จากนั้นร و บบีอัลสลุก ي วัยร์มะจากคว ا มคิดถึงและสุ่ยที่ พี่น้อง <c oughs> ที่รวมนำมาสุบที่มัสยิดอันวาริสุนนะที่รักทั้งหลายครับอัลฮับดุลิลละเราขอบคุณอัลลอ์สุบฮานฮวาตาลานะครับเดี๋ยวกันกล่าวชมอัลลอ์อยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงนี้ให้หัวใจเราเนี่ยโยงกล่าวว่ดีที่สุดพี่น้องอแล้วก็ทุกครั้งที่มามัสยิดนี่คุณอ่านสั่งอัลลอ์สั่งว่าซาญิโน นะครับซาเ ย, ยนูท่าต้องแต่งตัวอินดักุลลนมัสยิดทุกครั้งที่ออไปนมาที่มัสยิด ท, ทุกครั้งนะแล้วก็ทุกมัสยิดด้วยเวลาเข้ามัสยิดต้องแต่งตัวให้ให้สะอาดแล้วก็วันศุกร์เนี่ยต้องคือนบีจะมีชุดวันศุกร์เฉพาะเลย วันศุกร์นี่ภรรยาจะเตรียมมาไว้เลยนี่เฉพาะาวันศุกร์นะนี่สอนเราให้เราเป็นคนที่รักษาความสะอาดแต่งตัวให้ให้สะอาดให้ดีเพราะเราเข้าสังคมและสังคมเราก็อยู่ในมัสยิดในเป็นส่วนใหญ่เข้ามาในมัสยิดนี่กลิ่นหอมนะครับขอบคุณอัลลอ์นะครับที่เรามีอัลกุรอานนี่นะ เป็นถ้าเป็นความรู้ที่ผ่านนบีที่ยิบรีนลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยใช้เวลานานถึงกี่ปีนะยี่สิบสามปีนี่เป็นความรู้หมดเลยแล้วก็กุรอานนี้เป็นวันอ า, าทิตย์ที่แล้วเราเรียนใช่ไหมกุรอานมีชื่ออยู่กี่ชื่อนะแปดชื่อนี่แปดชื่ อ, อ, อหนึ่งในนั้นคืออัลฮักกู ของที่อยู่ในคัมภีร์ุณอานทุกอายัก์เนี่ยเป็นความจริงหมดเลยแล้วก็เขาเรียกว่าฟุรกอนแต่ว่าแยกแยะระหว่างของผิดกับของถูกของดีกับไม่ดีนักอ่านอธิบายเอาไว้ค่อยๆศึกษาไปจะเห็นแล้วก็อัชซานุลฮะดีนี่ชื่อของกุรอ่านนะถ้อยคำในคัมภีร์ุณอ่านแต่ละวักนั้นเป็นถ้อยคำที่ดีที่สุด หาที่เปรียบอะไรไม่ได้ก็ขอททกทวนนิดอนึ่ฮัมดูลิละนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้อ่านมาถึงมาถึงอยาอยาที่อายาที่ใดนะสี่สิบกว่าเนี่ยนะสนะี่สิบห้าสบหกสี่สิบเจ็ดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าคนที่อยู่กับศาสนาอิสลาม คนที่อีมานต่อ Allah, อัอลลอฮ์อิมานต่อรัสูลอีมานต่อคัมภีร์กุร์ณาและคำภีรทุกเล่มที่มาก่อนหนะ้าคนที่เชื่อวันอาคิเรอแล้วก็คนที่เชื่อว่าตายแล้วไม่ใช่ตายเลยตายแล้วต้องฟื้นเนี่ยแล้วก็ลูกคนอิสลามมีกหข้อลูกคนอีมานอีกหข้อเนี่ยรวมเป็นเท่าไหร่สิบอดข้อปฏิบัติสม่ําเสมอเนี่ยอัลลอฮ์ให้อะไร ก็มีทั้งหมดสิบอ็รายการนี่เป็นบางส่วนนะของชาวสวรรค์ที่อัลลอฮฺจะให้จะมอบให้กับชาวสวรรค์ในสิบอ็ดรายการนี่บางส่วนนะของเนี่ยของซูลลาะอัลซอฟาเนี่ยผมทวนอีกครั้งหนึ่งนะอัลลอฮฺจะให้ริสคุมมาลูริสกีที่เป็นที่รู้กันแล้วที่เราผ่านมาแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะริสกุมมาลูหมายถึง ริสกีเป็นที่เข้าใจกันเป็นที่รู้อธิบายอย่างนี้ริสกีที่เป็นที่เข้าใจคือริสกีเนี่ยมาตรงเวลามีเชา้ามีเย็นที่อัลลอฮจะจัดให้ทานอาหารวันละกี่มื้อก็ตามแต่ไม่มีไม่มีเปลี่ยนเวลาเลยมาตรงเวลาเป้เรื่องที่สองในสวรรค์นั้นมีแต่ผลไม้บริการขอาชาวสวรรค์มากกว่าเนื้อทานผลไม้เยอะ คนฉลาดเนี่ยบนดุญยาเนี่ก็ขาเอามาใช้ก่อนได้เลยเอล่อยไม่ได้ห้างทานผลไม้เนี่ยเราก็ตามด้วยาอาหารหนักๆ น, นี่นะแต่ต้องผายผลไม้ก่อนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงครับเพราะว่าผลผลไม้ทำให้ถ่ายนะแต่วิจัย ก, ก, ก, ก, ก็ก็ออกมาอย่างนั้นแหละนะผมสังเกตตัวตัวมเองเราทำอยู่เลยละดีเรื่องที่สาม อาลาสุริร ม, มุตกอบิลินนั่งอยู่ในสวนสวรรคนะ์นั่งอยู่บนบนแทน่นรออวบนอนบนแทน่นแล้วก็เข้าหันหน้าเข้าหากันในตัปเสตอธิบายต่ออีกว่าไอ้แท่นที่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันชิดกันแล้วก็ถูกประดับด้วยอะไรนะ้วยด้วยทองอเรื่องที่สาม แท่นในนะ้ำสูงเด่นนี่เป็นที่นั่งของชาวสว่าเรื่องที่สามอยู่ตตอะวาลัยฮิมบิกาซิมมีถ้วยที่เต็มไปด้วยน้ำถูกเวียนรอบบริการพวกเขามีน้ำมาเสิร์ฟแล้วก็น้ำอธิบายแล้วมาทีทีแล้วหนึ่งสีขาวมันเป็นเหล้านะ แล้วก็น้ำเนี่ยมีอยู่สามสี่ชนิดชนิดที่หนึ่งก็คือน้ำผสมการบูลสองน้ำที่ผสมไม่นั่นผสมน้ำขิงผสมการะบูลหอมด้วยเลือกเอาเอาอไรถ้าสีขาวแก้วก็สีขาวโอ้โหสวยมากเลยนี่เอาเลอเล่าให้ฟังเรื่องที่เรื่องที่จจติน สีขาวแล้วก็อร่อยด้วยกินน้าอย่างเดียวก็อร่อยยิ่งน้าผสมกระบูลผสมขิงผสมนวลผสมนี่ยอรรถสีขาวหมดเลยนะอรรถอภัตต์ต่อมาข้อที่เจข้อที่หลาฟีฮากาวุนดื่มน้าไปแล้วไม่ทำให้ปวดศีรษะเวลาหุมมูลยุนยุนซาฟูลแล้วก็ไม่ทำให้เมาด้วย กินน้ํานะกินน้ําเหล้านนะครับแต่ว่ากินแล้วไม่เมาตรงกันข้ามอยู่บนดุลยานี้ต้องนึกนะบนดุลยานี้หนึ่งกินแล้วเมาสองกินแล้วปวดหัวกินแล้วอาเจียนกินแล้วฉี่แตกประสบการณ์ผมผมมีก็มีในเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องคนเมาเนี่ยประสบการณ์ผมมีผมมีเพื่อนชื่อประยุทธ์อยู่เนี่ยอะไรนะที่คนอินเดียอยู่เยอะนะพาุรัอ ไปเรียนหนังสืออยู่ด้วยกันเอาต่อมาครับข้อที่แปดฟียันนาจินนไนมสถานที่ยูนอยู่ในสวนสวรรค์สวยมากจะมีจิตแดนสวรจริงๆแล้วก็พอที่ยูนในสวนสวรรค์ต่างกับบ้านเราเยอะนะแล้วก็ข้อที่สิบจะอ่านต่ อ, ตอไปนี้มีทั้งหมดสิบเอรายการด้วยกัน ที่อัลลอฮ์จะมอบให้กับชาวสวรรค์นี่บางส่วนนะไม่ใช่ทั้งหมดนะนี่บางส่วนที่อัลลอฮ์จะมอบให้กับคนที่อยู่กับศาสนาอิสลามปกป้องศาสนาอิสลามเขาด่ า, ดานาบีมุฮัมมัดก็อัลลอฮ์เป็นรองก็มีปัญหากันในในรายนั้นในฝรั่งเศสก็เอาไปต่อยอดมนาะเองก็แล้วกันนะว่อินดะฮุมกอฟิราตุตัรฟัยน ว่าอินดะฮุมกาซิราตุตัรฟัยอินอัลลอฮุอะลัยฮิวะกับตุในสวนรรค์นั้นเขาเตรียมเอาไว้นะให้กับผู้ที่ศรัทธาต่อัลลอว่าอินดะฮุมนี่แปลว่าข้างๆพวกเขาขออวยให้พวกเราเข้ากันทุกคนเลยนะย่าลละตะกำ บ, บัดมินตาดุอาณนาะรับดูอาของพวกเราด้วยนะให้เข้าสวรรค์ในหมดนะครับ ว่าอินดโฮมข้างๆพวกเขาชาวสวรรค์ที่เป็นผู้ชายนะนะมีใครนั่งอยู่กอสิซโรตูตอรฟีอนมีมีผู้หญิงมีนางอมีผู้หญิงนะครับกอสิรซที่แปลว่าอตอรฟีเนี่ยแปลว่าอินแวตาทอดสายตาลงต่ำ สายตานี่ยนะมองต่ําไม่ใช่งงสูงไม่ใช่มอ ง, งเฉยบนดุลยานี่มอ ง, งเฉยกันเยอะนะงเฉยเฉยทางผู้หญิงและผู้ชายไอภาพงเฉยเนี่ยถามว่าสวยหรือไม่สวยไม่สวยเนี่ยเอาล้อเล่านะากรพื่อมานนะผู้หญิงที่สาง่างามหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยเขาไม่มองใครแล้วเขามอง คนเดียวคือสามีของนางเท่านั้นนี่หญิงชาวสวรรค์รอลเล่าให้ฟังก่อนอ่านทมดูล่ลาข้อที่สิบนี่เล่าถึงอยู่ในสวรรค์กลัวจะเหงาอ่ะอยู่บนนุญยาก็กลัวเหงาใช่ไหก็แต่งงานซะผู้หญิงเนี่ยอเลาจัดให้ลักษณะเป็นยังไงครับว่าอินดาหุมกอสซรอตุตรฟีอินไนน์เบวตา ที่เราได้ยินะฮูรุนไนยใช่ไหมล่ะหญิงชาวสวรรค์คือผู้ชายเนี่ยมีภรรยาหลายคนในสวรรค์อยู่บนดุนยานี่พอจะแต่งงานคนที่สนี่มันทะเลาะ ก, กันก็เยอะนะแต่ที่นั่นในสวรรค์ไม่มีครับอลัลลอฮ์จัดให้ทําไมไม่มีลนะ่ะเรื่องหึงหวงไม่มีเรื่องความโกรธความกรีว้วเอาชนะในสวรรค์อัลลอฮ์ทอดอปหมดเลยแต่อยู่บนดุนยานี้อลัลลอฮ์แปะเอาไว้ในหัวใจเล็กๆ น, น้อยๆ และเอาอิมานมาคุมฉะนั้นคนที่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยเอาอะไ้มาคุมเอาสายตอนคุมใช่ไหมอะไรมีปัญหาแล้วทะเลาะ ก, กันอะไรกันนี่ท่านอ่านกุรอานแล้วก็ท่องสงสารนะนะมันมีหลักการดําเนินชีวิตอย่างในอิสลามนะันมีอยู่ฉะนั้นภรรยายนาบับีไม่ทะเลาะ ก, กันเลยบรรดาสุฮาบานอับีมีภรรยายกันหลายคนแต่ไม่ทะเลาะ ก, กันนะอะไรเพราะเขามีอิมานเป็นตัวคุม เรานี่มีอิมัลเหมือนกันแต่เอามาใชาบา้บางบางะบางบางเวลาตอนละหมาดเอาอิมานมาใชา้แตอละหมาดครูช่ว่าตอนอยู่บ้านนะค่อยเอาอิมานมาใชา้นเอาอารมณ์ใส่ตอนมาใชา้ถึงได้ทะเลาะกันบ่อยๆน บ, บีเตือนอีกนะเวลามีปัญหากันในครอบครัวให้ใครนิ่งก่อนให้ใครให้สามีนิ่งก่อนสามีหลายคนไม่พอใจก็เฮ อ, อน บ, บีสอนสอนได้ยังไงเมื่อวานผมไป อบรมที่อัญจุมันก็มีผู้ชายนั่กับหลายคนเนี่ถ้าอารมณ์ตัวเองเนี่ยนะไม่ยอมนะแต่พอฟังนบีสอนแล้วเออยอมได้ยอมได้ไดฉะนั้นอีมานเนี่ยสำคัญที่สุดอีมานต่อนบีเนี่ยแล้วก็อีมานต่อคําสอนของนบีอีกอันรบยิ่งใหญ่นะสังคมที่สงบถ้าเราเดินตามนาบีเติร์นตามคุรา น, นยสงบครับต่อมาครับว่อินดะฮุมกอสิรอตุ ตอสฟิอานและข้างๆพวกเขานั้นมีนางผู้ทอดสายตาลงต่ำหมายถึงมีความอายมีความสงบตาไม่ส้องจ้องใครแล้วจ้องเจ้าะสามีตัวเองเท่านั้นเองมองดูที่ตาสวยมากครับพี่น้องมีดวงตาโตโอ๋อลอไอนุนมีดวงตาโตคนความความสวยของของคนค น, คนี่อยู่ที่อยู่ที่ตานะ และผู้ชายทุกคนนี่นะผมผมคุยเยอะนะถามทุกคนนะ่ะเวลาเห็นเพศตรงกันข้ามเนี่ยมองที่ไหนก่อนส่วนใหญ่ก็บอกว่ามองที่ใบหน้าคุยแล้วก็ถ้าตาโตโ ต, ตเนี่ยทุกคนสวยหมดทับใจหมดนี่นี่ควา ม, ควา ม, ค, วามความรู้สึกนะแล้วก็ต่อมาจะมองที่ไหนมองที่มือมือสวยไหมนี่กับผู้ชายเจ้าชู้เลยนะเขอมองอย่างนี้แหละหนึ่งจ้องมองที่ ไปหน้าก่อนโอเพราะไปหน้าถูกตากรมกา ร, าากรมการเข้าตากรรมการมองมือโอ้โหเนี่ยแต่ต้องมี إ ي م านควบคุมนะถ้าไม่มี إ ي م านลวนลามจะตามมาท่านอย่ามองเยอะมองได้กี่ครั้งที่นบีสอนครั้งเดียวเห็นยังแล้วก็ก้มหน้าเคยไหมเคยทํำไหมละ่ะก้มหน้าไม่มองหน้าผู้หญิงสวยสาวนะมองครั้งเดียวนะ่ะเคยทํำไหยเคยฝึกไหมถ้าไม่ฝึกเดี๋ยวเราจะถาม ฉันให้นบีมาสอนเวลามองคนสวยๆถูก อ, อกถูกใจแล้วมองได้กี่ครั้งรางวัลตรงนี้ไม่มีเลยขาทุนหน้าน้ำมาดมีรางวัลถือบวชมีรางวัลพอเรื่องเจ้าชู้เนี่ยไม่รางวัลไม่มีเลยระวังระวังตํางระวังสายตาด้วยต้องมีรางวัลในการมองคนด้วยห้ามดุริลละในอายะอื่นอธิบายอย่างนี้กอสิราตุตตฟี <c oughs> มีอะไรนะ มีสายตาที่ลงตำ่ำลำยุตมิสหุนอินสุนวลาจานไม่มีมนุษย์และยินเคยสัมผัสนางมาก่อนใช่ไหมรออักบัตแล้วก็ว่าไอ้ดาหุมกอเิรอติตอ์ฟีอัทรบุญแล้ว ก, วก็นางจะมีจะเป็นผู้ที่มีลักษณะทอดสายตาลงตำ่ำมีอายุรุ่นราวเขาวเดียวกันทั้งหมดเด้อยู่ในสวนสวรรค์ นะครับแล้วก็ฮูรุนหมักซูรอดฟิลคิยามนางเป็นฮูดแล้วก็ถูกให้เฝ้าอยู่ในกระโจมอยู่ในเต้นนี่ลักษณะของหญิงชาวสวรรค์อยู่ในเต้นเรานั่งอยู่ในเต้นอยู่นมีสวรรค์แล้วนาแล้วมีเต้นต่างหากอีกกลางอยู่ดึกพลาดไสิเต้นที่สวยๆมองดู โ, โหหน้ารักตอนนี้เต้นสีขาวมีใช่ไหมอ่ะรอมองดูเด่นนะนั่นแหละ นี่เล่าจินตานาการเล็กๆ น, น้อยๆคำเดียวเล่าไว้ฟังเอาต่อมาขรอพระย่าที่49กะอันนะหุมกะอันนะหุนนาใบดุมมักนูนนี่สิฟัดข้อที่11กะอันนะหุนนาใบดุมมักนูนนางนั้นประหนึง่ง นางเป็นไข่มุก อ, อัลลอฮ์ไบดแปลว่าไขมุกนะครับมักนูนถูกหุ้มถูกหุ้มเปลือกเอาไว้นี่ยอัลลอฮ์เปรียบเทียบหญิงชาวสวรรค์ซึ่เป็นภรรยาของเราเนี่ยความสวยเหมือนไขมุก อ, อัลลอฮ์พักบสถ์เหมือนไขมุกที่ถูกหุ้มเปลือกเอาไว้นี่จินตนาการเล่าให้ฟังอัลลอฮฺอัลกบุบะจะนั้นต้องอดทน ทำความดีบนดุงยาใบนี้แต่พิลาทําความดีอย่าหวังว่าจะได้บู้หญิงในสวรรค์นนะอย่าไป น, นึกตรงนั้นนะนึกว่าเราทําดีเพื่อหวังความเมตตาจากาอัลลอฮ์เมตตาอ่าภาษาที่ดีมากทําความดีเพื่อหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์อย่าไป น, นึกสวรรค์ น, นึกว่าเราต้องการความเมตตาจากอัลลอฮ์เนี่ยเรื่องใหญ่มากครับ คำว่ามักนูนี่ยสั์ในภาษ า, ษ า, ษาคุรุอังก็คือมาจากมาจากกันนัยกุนูกัน น, นันหัวกุนูนันแปลว่าปิดบังเอาไว้ซ่อนเร้นเอาไว้หรือว่าถูกปิดบังถูกซ่อนเร้นถูกเก็บรักษาอย่างดีเอาหลอไม่มีมแมลงวันมาตอมไม่มีคนมาตอมนี่เป็นลักษณะของภรรยาของเราในสวนสวรรค์และเราจะขนาดไหนวันนั้นนี่เล่าเรื่องภรรยาอย่างเร็วภรรยาเราที่อยู่กับเราบนดุนยาเบนี้ ถ้าความดีของนางสามารถพาไปสวรรค์ได้ก็จะไปอยู่กับเราอีกครั้งหนึ่งและเฮารุนไอร์อีกทางห่างที่อัลลอฮ์มอบให้เฮารุนเอนกับภรรยาเราที่พาไปจากที่ไปจา ก, จา ก, จ, ากจากโลกโลกนี้เนี่ยนะใครสวยกว่ากันคําตอบก็คือภรรยาที่ไปจากโลกดุลยานะั้นะสวยกับาฮารุนไอร์อัลลอฮ์อัลบาตมีคนมีคนถามนาบีว่าสวยเพราะอะไรเพราะรองร้ายของการอาบน้ำนมามา ร่องรอยของการอาร่านอัลกุรอานร่องรอยของการสวดุญรรห์ร่องรอยของมนที่ถือศีลอดไม่ด่าคนไม่นิทาคนกินห้องกินหอมอัลลอฮฺอักบัตกินปากนี่หอมมากๆเลยไม่ต้องใส่อย่ามองไอ้ไม่ต้องใส่เลยนะไม่ต้องใส่ทั้งหอมอัลลอฮฺให้ความเงือก็หอมอ่ะเงือนี่ก็หอมออกมานี่ยเงือห้อมเลยนะ่ะสิฟัตนบีผมลืมเล่านะสิฟัตนบีเงือนบีนี่หอม ตอนท่านนาบียังมีชีวิตอยู่นะ่ะเป็นนอนที่บ้านซอว์ซาฮาบียะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะ่ะเอาอะไรนะเอาแก้วเนี่ยมาช่อเนื้อนบีใส่ใส่แก้วเอาไว้พอนบีตื่นมานาบีถามว่าเธอทำอะไรฉันเก็บเงืนอนบีเก็บทำไมกินหอมแต่ของเราเลยไม่หอมนะ นี่อัลลอฮ์ให้เฉพาะนาบีคนเดียวเพื่อให้เห็นว่าขนาดดุนยาอัลลอฮ์ให้นบีมีกลิ่นมีเหงื่อกินหอมแล้วในสวรรค์จะขนาดไหนให้จินตนาการอลเหงือ่อ น, นบีเนี่ยกิ่นหอมแล้วกิ่นหอมนี่นะเหงื่อของชาวสวรรค์ทุกคนกินหอมเหมือนนั่นนบีสุลตานุสัยยิ่งใหญ่มากครับเพืนนั้นอยู่กับอิสลามแต่สบัดอดทนนะแล้วก็มีรางวาัลตอบแทนจาก Allah. อัลลอฮ์อายาที่ห้าสิบ فأقبل بعضهم على بعض يتسألون فأقبل بعضهم على بعض يتسألون อัลลอฮฺอยู่ในสวรรค์นะครับอยู่ในสวรรค์หมดแล้วนะสิทธิชาวสวรรค์หมดแล้วนะเนี่ยเราเล่าพิเศษให้อีกนะครับ ฝ้าอักบัแปลว่าหันหน้าเข้าหากันอ่าบางดูฮุมอ่าล่ะบาดีบางคนกับอีกบางคนตัวเราเราไมได้อยู่ในสวรรค์กับภรรยาสุสองคนมีคนอื่นนะ่ากันอีกนะอยู่กับภรรยาด้วยแต่ต้องการจะคุยกับใครก็คุยได้อีกหันหน้าเข้าหากันอย่างขณะเนี้พี่น้องก็มองมาที่ผมคนเดียวใช่ไหม แต่ในวันเกียร์มาไม่ใช่เข้าหากันมองหน้าเข้าหากันแล้วก็ยาตาซาลูตางอะไรนะไตาถามกันคุยกันอลัลลอฮฺให้หมาในสวรรค์นะต่างนั่งคุยกันไตาถามกันแล้วในมู่ชาวสวรรค์นั้นบางคนของพวกเขาจะหันหน้าสู่บางคนต่างถามไยกันถึงความรู้ไม่คุยเรื่องอะไร ส่วนใหญ่จะคุยเรื่องดุนยาที่ผ่านมาชีวิตดุนยาที่ผ่านมาแล้วอ่ะใช่ไหมเป็นยังไงก็จะคุยกันเรื่องเก่าอย่างพวกเราวันนี้พวกแกๆเนี่ยอายุเจ็ด <c> ส <oughs> นะิบแปดสิบนจะคุยเรื่องอดีตใช่ไหมอดีตเป็นยังไงเป็นยังไงยังจําได้หมดแหละแต่เมื่อตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาอรรถตัดสินให้อยู่ในสวรรค์เสร็จแล้วจะนึกเรื่องอดีตหมดเลยเนี่ยอรรถเล่านะ แลล้บบบางทีแล้วในหมู่ชาวสวรรค์ด้วยกันนั่นแหละบางคนของพวกเขาจะหันหน้าสู่บางคนต่างยะตาอาลูนต่างไทยไตถามกันคุยกันปรึกษาหารือกันคุยกันเรื่องอะไรไอ้ตับซินอธิบายไว้เกี่ยวกับ ความหลังในโลกดุงยาเอาต่อมาครับตนวองว่ า, าเรเล่านะเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะมันจะคุยเฉพาะสามีภรรยาเราคุอื่นด้วยก็คุยกันได้เอาต่อมาข้อที่ห้าสบเอ็ดอายาที่ห้าสบอ็ดอล่าโคิลุมมินหุมอินนกานะลีกอรินอัลลอฮฺอัอ ด, ดีมากเลย قال قائلٌ منهم إني كان لي قرين الله أكبر قال قائلٌ คนหนึ่งในหมู่พวกเขากล่าวว่าหรือจะกล่าวว่า قال قائلٌ منهم คนหนึ่งในหมู่พวกเขาจะกล่าวว่า إني แท้จริงฉัน กานะมีเคยมีลีกรีนกรีนดปว่าเพื่อนนึกถึงเพื่อนของฉันตอนอยู่ในโลกดุนยาอ่าเนี่ยล้อเล่าให้ฟังนะพออยู่ในสวนสวรรค์แล้วก น, นึกถึงพักพ่วกกันเพื่อนกันที่อยู่ในโลกดุนยากอเลกอิลุมมินหุม อินนิกาลีกอรีนคนหนึ่งในหมู่พวกเขาจะกล่าวว่าแท้จริงฉันได้มีเพื่อนคนหนึ่งเมื่ออยู่ในโลกดุญยากอรีนแปลว่าเพื่อนบิมานาคอลีลุนวัสอรฮิบุนเพื่อนคนนี้นี่นะเกือบทำให้ฉันตกนรกเพื่อนฉันคนนี้นี่นะเกือบทันให้ับเกือบทำให้ฉันตกนรกอ่ะ คนนี้นะ่ะโอ้โหความรู้ดีแต่งตัวสมาร์ทอแล้วก็ไม่เอาอิสลามแอนตี้อิสลามนี่ตัส้สิอธิบายนะนิดละให้ฟังก่อนแอนตี้อิสลามแล้วก็แอนตี้นบี ม, มุ hammad แอนตี้สุนนะนบีแอนตี้คุรานไม่เชื่อว่าตายแล้วฟืน้นแล้วก็ไม่เชื่อว่าอัลลอ์จะมีความสามารถให้รางวัลได้หรืออะไรพวกเนี้ยนะ อ่านต่อไป يقولوا أ ي ن น ل م ก المصدقين ي ก و น و ا أينك لمن ا ل ด ص د ق ي ن เพื่อนของฉันคนนี้นะเคยถามเคยถามฉันว่าอินนักท่านเนี่ย และมีนัลมุสดิกินท่านเนี่ยอยู่ในหมู่ผู้ยอมรับเชื่อวันกิยามะแน่หรืออ่านี่ถามถามภาษานี่คุณนี่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นจริงหรือคุณนี่เชื่อว่าตายแล้วเนี่ยฟื้นขึ้นมาอาลัลลอฮจะตอบแทนรางวัลให้อย่างที่เล่าในะคุรออามุตะ ก, กี้นี่นะมีนั่นมีนี่มีตั้งสิบเอดสบสองรายการนี่เชื่อว่ามีกันนั่นหรือโอล ยากรู อ, อินนากาะมินัลมูสอดีกีนเพื่อนของฉันคนนี้เคยถามฉันว่าท่านเคยอยู่ในหมู่ผู้ยอมรับเรื่องวันเกียมะแน่หรื อ, อที่ถามนี่มันใช่อยากจะรู้นะเราตอบดิถามเพื่ออะไรยะเยอะเย่อดูถูกเยียดย์ยม ตายเราฟื้นเองรู้ได้ยังไงวะฮะรอมุกมัดสอนจริจงเหรอในวันนี้เราก็ถูกถามกันใช่ไหมโอ้เยอะมากเลยใช่มที่ถ้าทุกคนอิห ม, มา่าว่ตายเราฟื้นนะไม่กล้าทําความผิดเพสักคนนึ่งนะจะทํายังไงจะให้ความรู้อันนี้เข้าไปในหัวใจของคนที่ปฏิเสธทั้งนนก็เป็นหน้าที่ของพวรเราชาจะต้องอธิบายถามไม่ใช่อยากจะรู้นะถามเพราะความ อิสติญาะย่เย่ถามคนชาวสวรรค์คนนี้ต่อมาครับอายาที่ห้าสิบสามอิจามิตนาวคุณาตูโรเบว่าอิจามันอินนาละมดีนนอัลลอฮฺอัลลอฮ อ้ซามิตนาวคุณตุรอบวะอิฎามะวะอิฎามันออินนัลมาดีนุนอัลลอฮฺ ا أ Allah, อธิบายอีกถามว่าคุณเชื่อหรือว่าว่ามีวันเกี่ยมัง่งคุณแน่จะใจถือแลอธิบายต่อเมื่ออะไรกันอ้าแปลว่าอะไรกันเป็นคำถามอ้า อิจาเมื่อเรามิทนาเมื่อเราตายไปแล้วนี่เป็นภาษาของคนที่ไม่เชื่อว่าตายเราฟืน้นถามเพื่อนที่เป็นมุสลิมที่นั่งอยู่ในสวรรค์ถามว่าไงนะอิจามิทนาวาคุนตูรอเบวะอิซอมาอะไรกันเมื่อเราตายไปแล้วและเราได้กลายเป็นดินอัลลอฮ์ตุรอแปลว่ากลายเป็นดิน ว่าอิรอมันแล้วก็เป็นกระดูกไปแล้วอิรอมแปลว่าโบนเป็นกระดูกไปแล้ว อ, อินเลมดีนเราจะถูกตอบแทนการงานแน่หรือคุณเชื่ออย่างงี้หรืออ๋อให้มา <c oughs> ตัวมาครับอายาที่ห้าสบสี่กอลัลอันตุมมุตตอลยนอายานี่ดีมากเลย กัลอัตุมมุตตะเลอุนเขาคนที่พูดที่พูดอะไรนะที่พูดพพว right ่าที่เป็นมุสลิมนี่อยากจะฉันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นยังไงยังนอยังานเพื่อนคนกาเฟสน่นะเพื่อนพนผู้ไร้ศรัทธาเนี่ยอย่าว่ากาเฟสนะผู้ไร้ศรัทธาเนี่ยนะถามว่าถามงานอย่างนี้อย่างนั้นฮัลอันตุมมุตเ อยากจะชะโ ง, งกดูเขาไหมล่ะนี่นั่งอยู่ในสวรรค์ถามว่าคนที่คุณพูดเมื่อกี้เนี่ยอยากดูหน้าเขาไหมล่ะมตุตตอเรียกแล้วว่ า, วาชะโ ง, งกชะโ ง, งกดูอโลเขาพูดที่พูดนั้นกล่าวว่ากล่าวกับชาวสวรรค์ดูกันว่าพวกท่านอยากชะโ ง, งกดูเขาไหม <c oughs> แสดงว่าคนไม่ใช่มุสลิมนี่ตาแล้วฟื้นแบลบ่าฟื้นหมด แล้วอยู่ที่ไหนนึกภาพเอง อ, อยู่ในนรกอยากดูไหมให้ชะงกดูเอาไหมอัลลอฮฺอักบัดแสดงว่าชะงกดูได้จะงกดูได้นะชะงกนะมองอย่างเงี้ยอัลลอฮฺแค่มองก็เห็นแล้วนี่นะเอาต่อไป55ฟัตตลาฟาราฮฺุฟิสวาอิลจาฮม ฟัตตลาฟะรออาห์ฟีสวาอิลเจฮฟัตตลาแปลว่าเขาชะโงกดูพอถามาอยากดูไหมชะโงกดูนะเหนื่อยเหมือนกันนะ่าชะโงกน่ยเหนื่อยเหมือนกันเ <c oughs> ขาก็ชะโงกดูฟะรออาหเขาเห็นเลยพอชะโงกดูปั๊บรออา เห็นเพื่อนคนนั้นแหละคนที่อยู่บนดุนยาเนี่ยถามว่าเอ็งเชื่อเราวันเกียรมามีตายแล้วเป็นกระดูกเป็นดินเชื่อว่าฟื้นเหรอลก็ลจะตอบแทนรางวัลให้จริงเลยพอชะงกดูพักเห็นเลยอยู่ที่ไหนฟีซาเวอิลยฮห์อยู่กลางซาบะแปลว่าวกลางเลยมันจะอยู่ริมเลยนะอยู่กลางกลางอะไรครับ ไฟที่ลุกจากคือนรกยุกล่างนารกเลยแสดงว่าสวรรค์ก็อยู่ข้างบนนรกเหมือนกันนะต่านอมอย่างนี้เลยนะนี่เจตนานาเองนะอาจจะถูกผิดไม่รู้นะแต่ว่าแสดงว่าสวรรค์อยู่ข้างบนนะและข้างล่างเป็นนรกโอ้เชิงโกเห็นเลยอ่ะทีนี้ในตำสิทธผมดูหลายๆเล่มนะ ชายสองคนเนี่ยเขเป็นเพื่อนกันเขาเป็นเพื่อนยังไงในตับซีด <c oughs> ของอัลละมัุยูตีท่านอธิบายบว่าพวกตาเบียอินส่วนใหญ่เขาอธิบายอย่างนี้นะบอกว่าชายคนนี้มีเพื่อนกันทำํำคนมีสองคนอีกคนหนึ่งเป็นมุมินอีกคนนึงเป็นมัชชัมุมินทําธุรกิจร่วมกันบนดุลยาพอได้กําไรเสร็จแล้วเนี่ย ได้มาประมาณสัก 8,000 ดิรหฮัมก็แบ่งกันคนละครึ่งคนละ 4,000 เดิรฮัมแล้วก็ผู้ผู้ไร้ศรัทธาเนี่ยเพราะได้เงินมา 4,000 เดิรฮัมนี่ก็เรื่องที่หนึ่งก็คือไปซื้อที่ดินพันเดิรหฮัมแล้วก็เพื่อนผู้ศรัทธาต่อร้องเป็นมุมิน โออัลลอฮ์เพื่อนฉันนะซื้อที่ดินฉันก็ซื้อที่ดินเหมือนกันโดยการบริจาคเงินหนึ่งพันดีรฮัมฉันขอซื้อที่ในสวรรค์แต่คนที่ไม่ใช่มุหมินซื้อที่บนดุนยาแต่คนที่เป็นมุหมินขอซื้อที่ในสวรรค์ด้วยการบริจาคพันที่สองคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาต่อโลกก็สร้างบ้านไปอีก พันดิร h a สวยมากเลยเพื่อนที่เป็นมุสลิมเห็นเพื่อนสร้างบ้านอยาเอาลอฉันอยากได้บ้านแบบนี้ในสวรรค์ก็บริจาคไปอีกพันดิร h a หมดไปแล้วสองพอพอได้บงได้บ้านแล้วก็จะแต่งงานสิพันธที่สามเอาลอเป็นมหาธจะไหมเป็นข้าสินสอดได้ผู้หญิงสวยสาวมาอีกคนหนึ่ง อยู่ในบ้านหลังนี้ชายผู้ศรัทธาต่อรออยาลอฉันอยากได้ผู้หญิงสวยๆเขารู้ในในสวรรค์ฉันขอบริจาคอีกหนึ่งพันบาทหนึ่งพันดีรำเจนี้พอแต่งงานเสร็จแล้วมีบ้านแล้วต้องเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมล่ะเอาอผู้ชายที่ไม่อิหม่างต่อรอก็หมดไปอีกพันดิรมนะ่ะซื้อทาสมามีคนชายมีเฟอร์นิเจอร์ใส่บ้านเต็มไปหมดเลย แต่ผู้ศรัทธาต่อรอเนี่ยฉันอยากได้เฟอร์นิเจอร์ของฉันในบ้านฉันในสวรรค์นะฉันขอบริจาคเงินอีกหนึ่งพันดซ่าหมเพื่ออลัลลอฮสุบฮานหะหัวตาลแล้วต่อมาชายมุมินคนนี้นะจนพอจนก็ไปขอยืมตังค์เพื่อนเพื่อนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาต่ออดนะท้าวให้เงินก็แบ่งกับคนละครึ่งเองมันเงินไปไหนหมดอ่ะ ฉันก็บริจาคในนามของอัลลอฮฺเองเชื่อหรออ่าเองเชื่อว่าบริจาคแล้วจะมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺเชิงเชื่อหรอเห็นไหมนี่ภาษานี่ไงเองเชื่อว่าตายแล้วฟื้นหรือในะเมื่อเป็นกระดูกไปแล้วเป็นปุ๋ยไปแล้วจะขึ้นมารับรางวัลอีกคุณเชื่อหรือนี่คำตอบอยู่ในกระตีกที่ผ่านมาใช่ไหมพอเล่าปั๊บถึงตรงนี้ครับอย่าอัลละฮฺว่า ชะโงดูสิเพื่อนคุณยังอยู่พอชะโงกไปเจอเลยอะไรฮะมัุลูรีเลยเห็นยังครับพี่น้อง น, นั่นสักต้นแกจะอธิบายว่าคนอยู่บนดุนยาเนี่ยต้องนึกถึงโลกอาคิร่าเยอะๆมีเงินมีทองไม่ใช่มีแคปลูกบ้านอย่างเดียวสู้ถือดินปลูกภรรยาสวยเฟอร์นิเจอร์แล้วนึกถึงลึกอาคิรา่าแต่ชายคนนี้นะไม่ไดห่วงดุนยาเท่าไรห่วงแต่อาคิร่าแล้วเป็นไงอลัลลอฮฺ อันนี้ไม่ได้หมายความว่ามาทำบ้านนำบาปนะไม่ใช่นี่เล่าให้ฟังเล็ก น, น้อยว่าเงินบางส่วนควรจะบริจาคในนามของอัลลอหนึ่งสักกาต้องจ่ายอาสอดราก็ต้องจ่ายฮาดิยต้องจ่ายแล้วก็วา ก, กับต้องจ่ายเพื่อจะให้ตัวเราเองอยู่ในโลกอาคีรอบแบบสง่างามนี่ของอัลลมาสุยูตีนะบรรดาชาวตาเบีอินก็ อ, อธิบายกันแบบนี้นะครับดูเรีลน ล, ละต่อมาครับ ق ا ل ล ت อ ل ل ه الله أكبر ล ا ل ت ا ل ล ه إن كتلة ต ل أ ต ض รดีนอันนี้ดีมากเลยพอชะโงกไปดูชาวนรกครับเป็นเพื่อนกันก็พูดเลยเนี่ยลอเล่านะเรื่องจริงทั้งหมดชายคนชาวสวรรค์นี่พูดยังไงนะ ตั้นรอเขาพูดว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ต่อขอสาบานด้วยนามของอัลลอฮ์ตัลนรอเนี่แปลว่าขอสาบานด้วยนามของอัลลอฮ์อิงกิตท่านนี่เน่ยเกือบทําให้ฉันแล้วตุ่ดีนปนปี่คุณนี่อยู่ในนรกเนี่ยเกือบทําให้ฉันปนปี้แล้วเห็นอย่างครับ วันนี้เรามีเพื่อนใช่ไหมล่ะเพื่อนเราที่ไม่เอาศาสนาเรามีไม่มีแล้วก็ขับรถมีตำแหน่งเป็นสวงสวงอยู่ในรัฐสภาเขาก็แต่งตัวดีอะไรดีพูดจาดีลงเฟซลงไลน์โอ้ขึ้นทีวีอยู่เป็นประจำเอออยู่เหมือนทามันอยู่จับกมันดีกว่าแล้วมื่อี่ระวังระวังนะ ทำตัวเหมือนมันดีกว่าอยู่กับมันดีกว่านะทําให้เราคเราเหมือนทองเยอะชื่อเสียงมีตําแหน่งอรรเละผ่านนาบินะเงินชื่อเสียงเกียรติยศตําแหน่งเป็นปัจจัยแค่ดุลยานี้เท่านั้นต้องตนึกตรงนี้เงินชื่อเสียงเกียรติยศตําแหน่งเป็นปัจจัยดุลยาชั่วคราวแต่คณะชั่วคราวนี่โอ้โหท่านมีคนเสียมาเยอะเลยนะฟาโร่เสียไม่เสีย กอดุลพังไม่พังหามานพังหรือไม่พังนั่นมีเงินมีชื่อเสียงมีตําแหน่งมีเกียรติยศแล้วก็ผ่านไหมล่ะแต่ต่อต้านกายต่อต้านอิสลามที่อลัลลอฮ์ส่งผ่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามมาแลห์มาแล้วเป็นไงกับเป็นอน้ออัลลอฮ์เล่าในกะบีกุอาร์าให้หมดเลยเล่าให้นบีฟังนบีก็มาสอนพวกเราต่อวันนี้แค่นั้นเงินบนดุลยานี้มีได้ไหมได้ ชื่อเสียงมีได้ไหมได้มีตำแหน่งได้ไหมได้แล้วก็มีเกียรติยศได้ไหมได้แต่เกียรติยศตำแหน่งชื่อเสียงเงินเพื่อเอามาพัุงอิสลามอย่างนี้ต่างหาที่จะสง า, งานงามถาไปพดลุงตัวเองอะ่ะอัลลออักบัดไม่ได้คิดถึงอัลลอไม่ได้คิดถึงข้าศูลไม่ได้คิดถึงเด็กกมพร้ายากจนมสจัสยิดโรงเรียนฉันดูแลครอบครัวฉันครอบครัวเดียว ต้องมือมีที่เยอะๆก็ไม่มีซื้อเอาไว้ก็ได้เองจ่ายอากาศปล่จาา่ า, จายาก็เปล่าจ่ายฮาดิยาเปล่าดูแลคนดคนจนบป่ทอมต้นหรือเปล่าตนมีเงินมีทองอ่ะเวลามีเงินมีทองต้องมองตัวอย่างใครบุคคลในอดีตสาินาไดอ้าวมันนึอกออกได้ไหมอับอะไรอับดุ ร, รมานบินบินเอาฟเห็นยัง ถ้าดบุบิลรกานี่รวยนะไม่ใช่จนสนาอุมัดเดียก็รวยมีอาชีพอ้วยกันทุกคนแล้วเขาวางตัวยังไงสง่างามหมดเลยครับไม่เคยดูถูกคนจนไม่เคยเหยียดหยามคนจนมานามาที่มัสยิดอยู่เป็นประจำนั่นคือลักษณะของสฮฮาบะ ท, ที่มีอิสลามและมีดุนยาควบคู่กันอย่ามีดุนยาแล้วลืมอ่คิรออย่าีน้นองมันอันตรายจริงๆนะนี่คุณอ่านเรื่องนี้สอนเร า, าผมดูศั์ ขอละตอรอให้เองกิดลาตูดดีคาแปลใหม่นะเขาพูดว่าขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮท่านนี่นะเกือบทำให้ฉันปวดปีเกือบทำให้ฉันเนี่ยลำบากทำลายคำว่าอารดายูดดีเนี่ยแปลว่าทำให้ตายทำให้ลำบากนะครับ คำว่าลาตูดดีนีน่ในการพิ ก, การณาพูดเอาไว้นะคนที่จะจะได้รับความปนปนปี้เนี่ยมีใครบ้างคำว่าลาตูดดีนเขาเนี่ยแปลว่าทำให้ปนปี้ทำให้ลำบากทำให้ใช้ชีวิตอยู่ในนรกเลยนะมีใครบ้างข้อที่เนิงมีทั้งหมดหกข้อมัลลายุมินคนที่ไม่อิหมั่นต่ออัลลอฮ์ถูกแน่ๆสำคัญนะใครที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอ อยู่บนดุนยานี่ไม่เอาอัลลอฮ์นะครับละตู ด, ดีเองถูกแน่แเรื่องที่สองคนที่จะได้รับความปนปี้นะวัตตาอาหาวาหูปฏิบัติตามอารมณ์ตนเองสุนนนบีไม่เอาฉันเอาสุนนนบีเอาไว้ห่างๆอูย่าไม่ยุ่งกับฉันฉันเอาอารมณ์ฉันเป็นใหญ่ ที่นน บ, บีสอนนะว่าเวลามีปัญหากันในครอบครัวสุนนะน บ, บีสอนว่าไงนะให้สามีนิ่งก่อนฉันไม่เอาสุนนะน บ, บีข้อนี้ไม่เอาอะระวังถ้าแล้วก็เอาเอารมณ์ตัวเองใหญ่กว่าคําสั่งของสุนนะน บ, บีหรือน บ, บีสั่งนะช่วยเหลือสังคมดูแลคนยากคนจนตอนมีเงินนะนะเราก็ดูแลภรรยา เอาเงินให้ภรรยาชายเนะี่ยมีรางวาัลตอบแทนมากกว่าบริจาคให้กับอย่างอื่นฉันไม่ทำฉันมีมีให้เมีหาเงินเองเอะระวังนะคนประเภทนี้เนี่ยนะเราตูดด้ดีเองจะพบกับความปนปี้เรื่องที่สามก็ตัวอวุรดีหิมคนที่มีลูกบนดุนยาเบนีเราฆ่าลูกตัวเองไอ้การฆ่ามีสองอย่างฆ่าก่อนออกก่อนท้องอะ่ะคุมกำหนดให้หมด มีลูกคนเดียวอ่ามีลูกคนเดียวเนี่ยปัญหามันมาจากประเทศจีนตอนนี้นะ่ะมีลูกคนเดียวเราเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็ทำไงอ่ะเพราะคนจีน อ, อินเดียนี่นิสัยคล้ายๆกันอยากมีลูกผู้ชายกันหมดเอาไว้มาอะไรนะสืบทอดอะไรแต่อะไ ร, ออะไรมรดกไป น, นะเพราะคนถ้ามีลูกผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเพราะได้มีลูกผู้หญิงก็ทําไงล่ะลูกบ้านมุสลิมเนะี่ยไม่ทำผู้หญิงผู้ชาย คนไม่ใช่มุสลิมอยู่ในอยู่ในจีนนะ่ะมีลูกผู้หญิงมีลูกน้อยด้วยเป็นผู้หญิงด้วยแล้วบ้านมุสลิมมีบ้านมีหลายคนตั้งหญิงแล้วชายลูกผู้หญิงเหล่านี้เวลาจะแต่งงานเนี่ยนะไอ้พวกคุยกับคนจีนนะคนจีนที่มานะหมาด ก, กับเราอยู่เนี่ยมีอยู่คนหนึ่งแนตะ่นี้หายไปไหนแล้วไม่รู้นะเขาแนะนำแบบว่าเวลาจะแต่งงานเนี่ยก็ต้องไปหาผู้ชายบ้านมุสลิมอนะ่ะแล้วไปไงอนะ่ะ พอไปหาผู้ชาก็ก่เขาก็ให้แต่ต้องเป็นมุสลิมเดียกันใช่ไหมมาทีละคนละคนละคนนี่แผนของอัลลอ์ทั้งหมดใค่ยังฉะนั้นมีลูกมากเปนการฆ่าลูกนี่นะระวังหรือมีลูกแล้วไม่ให้ลูกเรียนอิสลามอันนี้อันตรายมากเลยครับนี่เ็าจะบอกว่ตกองรู้เอาละดีเหมข้อที่สีนะครับซุยยินาะอัลลอ์ซุยยนาะให้สชตอเนี่ยมาจูงจมูก แทนที่จะเอาอะไรนะเอาอักลักนบีมานําทางเราใช่ไหมแต่เอาใจเอาใจเอาใจตอนมาล้างสมองเรามาจูงจมูกเราคอขวางอิสลามไม่ให้มีเกิดขึ้นในหมู่บ้านที่มัสยิดไม่กล้าอบรมกลัวจะงคนกลัวสุนัขนบีจะเจริญเนี่ยยายายาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เไม่ใหสอนไม่ใหสอนนี่นะถูกล้างสมองโดยชายตอน คนประเภทนี้เราตูดดีนะจะได้รับความปนปีเรื่องที่ห้านะครับพี่น้องจอันนตุมบิรา บ, บิคุมคนที่สงสัยในเรื่องอัลลอ์เช่นอัลลอ์มีความสามารถให้ฟื้นจริงหรือมาฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยอัลลอ์จะตอบแทนรางวัลให้คนทำดีได้ดีคนทำชั่วได้ชั่วจริงหรือสงสัยในเรื่องอย่างนี้นะเราตูดดีเองจะพบกับความปนปี้ เรื่องสุดท้ายเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องที่หกนะครับเรื่องที่หกนี่ว่ามาโยกนิอันหูมาลูหูอิจารตอรดะอัลลอฮให้ยังครับนี่อายุอัลกุรอานวัวเล็กใช่ไหมว่ามาโยกนิอันหูมาลูหูอิจารตอรดะทรัพ ส, สมบัติของเขาไม่อำนวยประโยชน์แก่เขาได้เลยในวันตีมา ถ้าเขาปนปี้เงินช่วยไม่ได้เห็นยังเงินนี่ช่วยได้เฉพาะบนดุลยาอาคิรอดช่วยได้ไหมไม่ได้อาคิรอดจะช่วยเราได้ด้วยอีมานวาอามิลุซอลิฮาที่อิมามอานมันเมื่อเมื่อตะกี้เนี่ยโซระ อ, อะไรเนะนี่ยดีมากเลยนะครับอิลลัลเลีนอาเมนุวะามิลุซอลิฮัดฟาเลหุมอาจุนไกรุมามนุ ความดีของผู้ศรัทธาตอลอดกับอีมานนั้นไม่หมดอายุมีไปตลอดไปเลยเราตายไปแล้วพาติดตัวเราไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีอีมานมีเงินต้องจ่ายสอดเราก็ต้องจ่ายสก า, า ร, รกา์จ่ายสอดเ ร, รกาก็จ่ายฮาดียแล้วก็จ่ายวากั์ด้วยถึงจะไม่ถูกทําให้ปนปี้ในโลกอาเคายะกระจายใช่ไหมนี่คืออิสลามสอนเคลียมากอธิบายเข้าใจง่ายอัลลอฮูฮัมมัดอิมานอัลอลอฮ์พี่น้องครับ ก่อนจนก่อนจะจบยังมีเวลาอีกห้าหนาที <c oughs> คิดอะไรที่ทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าใกล้อลลอฮคิดเรื่องอะไรในภาษาฮะดีษว่าอัลฟิกรฟิกเกตฟิกเกตตบล็กพูดบ่อยฟิกเกตฟิกเกตฟิกเกต อ, อัลฟิกรแปลว่านะการใช้ความคิด การใช้ความคิดมันมีอยู่ห้าอย่างนี่บรรดาอลาุอลมามะอุลามะทั้งโลกดีนะอุลมามะรุ่นก่อนเนี่ยนะไม่ใช่รุ่นนี้นะอุลมามะสมัยสมัยสลานูนะอธิบายว่าอัลฟิกรูฟีอายาติละการใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องความอะไรนะที่อัลลอฮ์สร้างมาต่างๆเช่นคิดเรื่องเรื่องกุราคิดเรื่องสุนนะนบีคิดเรื่องนบีคิดถึงนรกคิดถึงสวรรค์คิดถึง อะไรนะอาดาบับกานการลงโทษอยู่ในกุโบเนี้ยรู้ไม่ได้อะไรยาตะวันละดูจะทำให้เกิดการเตาเฮตรักอัลลอฮ์องเดียวแล้วก็มีความมั่นใจในอัลลอฮสูงเดือดคิดเรื่องนี้เรื่องสิ่งอัลลอฮ์ให้มาทั้งหมดนี่เนะีอ่เรื่องที่สองฟิกรอฟีอาละอินและความสามารถของ Allah. อัลลอ์อ่า ความสามารถของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอ์ให้เป็นให้ตายจริงหรือนั่งคิดโอ้ใช่ใช่ใช่เยออัานกูราณสุราวนันนี้อายัเนี่นะโอ้โหที่ว่าชะโงกชะโงกเจอนะ่ Allah, ะอัลลอฮ์ฉันไม่เอาแล้วอเอาเลื้อคบเพื่อนก็ต้องเลือกแล้วนะทำให้เกิดความรักในอัลลอ์เพิ่มขึ้นเรื่องที่สามคิดถึงเรื่องการอัลลอ์สัญญาว่าใครทิ้งนมาจะเจอโทษแบบนี้ใครไม่จ่าย ก, กาจเจอโทษแบบนี้ ใครที่ไม่ทำตามคำสั่มของนบีเจอโทษดังนั้นทำให้เกิดความรนะความอยากที่จะทำความดีแล้วก็ข้อที่สี่ของที่เอาล่อสัญญาว่าถ้าทำดีจะได้สมบุสวรรค์นะถ้าไม่รักเอาล่อเพิ่มขึ้นนะข้อที่ห้าคิดดูตัวเองอ 5, คดดวามดีหลายอย่างเรายั ง, ยงเรายังไม่ได้ทำมี้ป่ามีน ะ, ะยกตัวอย่างนะมาตหยุทธ บวชวันจันทร์ก่อนพูทธาภนี่ไม่ได้ทำเลยติดต่อกับญาติพีน่น้องก็ไม่ไดยทำชอบทะเลาะกับเขามานั่งนึกแกแล้วจะดีละ่ะคิดข้อบกพร่องของตัวเองเนี่ยเยอะๆทำให้เกิดความละอายต่ออัลละ์เหมือนกันไม่ได้ไปสุราเลยนมาที่บ้านตลอดต้องนึกะ มันจะดีแล้วนี่ฮะเรียนกับเรียนมาแล้วฟังกับใบรรยันเองด้วยนมา ต, ต้องบินฑจะมาต้องนมาต์าตัวเองไม่โผล่มามัสยิดเลยมันอายตัวเองเหมือนกันนะอ่าเนี่นี่เรื่องอย่างนี้นะคิดเรื่องอย่างนี้นี่อุลมะม่เขาแนะนาว่าวิธีคิดคิดยังไงให้ตัวเองเนี่ยปลอดภัยจากนรกก็ได้คิดข้อบอกพร่องของตัวเองนี่แหละใบรรยันเก่งเลคเชอร์เก่งอรอพูดจาชาชาน แต่ตัวเองไม่เคยได้อ่านกัรอ่านเท่าไรกับญาติพี่น้องก็ไม่ได้เอาใจใส่รอเขาทำอะไรผิดเนี่ยก็ด่าก็เลยผู้ทำถูกหรือเปล่านี่เนี่ยฟิกเราอย่างนี้ทำให้ตัวเองนั่นปลอดภัยหลักตุ้นดาจะทำให้เขาไม่ให้ปนปี้อนในโลกอาคีรออัล้ามดเลหหมดเวลาครับข้านกลอุมะวะบหมดีก่าชอวเลายิละฮะอิลอันตะอัสตักุลกะวะตบิไล แ صلى الله على محمد وعلى ا ل ه وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين